เจรันพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีผ่านเรื่องใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่17กรกดาคมพุทธศักราช2554เป็นช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงที่พุทธบรยรศักดิ์สิพุทธศาสนิกชน ผู้ที่มีจิตศรัทธาที่แก่กล้าแน่วแน่และมั่นคงได้ตั้งใจที่จะเพิ่มการภาคเพียนการบำเพ็ญการปฏิบัติตามพระธรรมธรรมสอนของพระพุทธเจ้าให้มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นจะพยายามทำบุญให้มากขึ้น จะพยายามละบาปให้มากขึ้นจะพยายามปฏิบัติธรรมชำระจิตใจให้สะอาดให้มากขึ้นด้วยการสมาทานหรือด้วยการตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นกรณีพิเศษในช่วงเข้าพรรษานี้ mm hmm. เช่นบางท่านก็ จะอธิษฐานว่าจะใส่บาททุกวันบางท่านก็จะอธิษฐานว่าจะรักษาศีลห้าทุกวันส่วนวันพระก็จะรักษาศีลแปดบางท่านก็จะเลิกดื่มสุราสบุรีในช่วงเข้าพรรษาบางท่านก็จะเลิกดูหนังฟังเพลง ไม่ไปเที่ยวตามสถานที่บันเทิงต่างๆในช่วงเข้าพรรษาบางท่านก็จะเข้ามาวัดเพื่อปฏิบัติธรรมในวันพระบางท่านก็ไปอยู่วัดตลอดสามเดือนเป็นสุภาพสตรีก็นุ่งขาวห่มขาวถ้าเป็นสุภาพบุรุษก็บวชเป็นพระภิกษุ หรือสา ม, มเณรการกระทำเหล่านี้เรียกว่าเป็นการเพิ่มความเพียรที่จะนำผลอันเลิศให้ปรากฏขึ้นมาไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือเป็นทางธรรมต้องมีความเพียรเป็นหลักดังที่มีคาพูดไว้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่น พุทธภาศิตก็พูดไว้ว่าดับทุกได้ด้วยความเพียรคือบรรลุมรรคผลนิพพานได้ด้วยความเพียรถ้าไม่มีความเพียรแล้วถึงแม้จะมีสติมีสมาธิมีปัญญาก็จะไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดถ้าไม่ได้ภาคเพียงปฏิบัติทำบุญรักษาศีลเจริญจิตตะภาวนา เพราะนี้เป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งผลอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้มีไว้เป็นสมบัติแล้วเนื่องจากท่านเหล่านั้นมีความภาคเพียรไม่มีความท้อแท้ไม่มีความยอมแพ้ท่านมีแต่ปฏิบัติลุยไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา จนถึงจุดหมายปลายทางที่ปรารถนาพวกเราก็จะได้ผลเช่นเดียวกันถ้าเรามีความมุก ม, มาะ่ะมีความอุสาหะวิริยะความภาคเทียนที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไม่ท้อแท้ไม่ย่อหย่อนปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ไม่นานก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันเพราะผลนั้นเกิดจากเหตุเหตุก็คือการกระทำผลก็คือความสงบของใจในระดับต่างๆ ต, ตั้งแต่ระดับทานระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญาและระดับวิมุตติความอดทน ผนก็คือจะจิตใจจะมีความนิ่งมีความสงบมากขึ้นจิตใจมีความนิ่งมีความสงบมากขึ้นเท่าไรก็จะมีความสุขมากขึ้นไปเท่านั้นความทุกข์ก็จะมีน้อยลงไปตามลาดับนี่เป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของอัตตาหิอัตนโนดาถตนเป็นที่พึ่งของตนไม่มีใครสามารถที่จะ ปฏิบัติแทนเราได้ถึงแม้พระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกจะสามารถปฏิบัติจนบรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่พระองค์ก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติแทนเราได้เหมือนกับการรับประทานอาหารรับประทานแทนกันไม่ได้คนที่รับประทานก็จะได้รับอาหารได้ความอิ่มแต่คนที่ไม่ได้รับประทาน ก็จะไม่ได้อาหารจะไม่ได้ความอิ่มดังนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรายึดหลักอัตตาหิตอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนอย่าไปขอสิ่งจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแม้แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่ให้ขอแต่ให้ศึกษาดู พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเยี่ยงอย่างเป็นแบบฉบับ น, นี่คือความหมายของรัทธิพระลัตตาตรคือพระสังฆรัตนะพระธรรมรัตนาพระสังฆรัตนาพระพุทธรัตนานี้เป็นที่พึ่งด้วยการแบบเป็นแบบฉบับที่ดีถ้าเราน้อมเอาแบบฉบับของท่านมาปฏิบัติตามเราก็จะได้ที่พึ่งเพราะเราจะได้ ผลที่เกิดจากการปฏิบัติของเราทมที่ปรากฏขึ้นมาในใจนี้จะเป็นที่พึ่งของใจเราได้จะปกป้องรักษาป้องกันไม่ให้ทุกข์ภัยต่างๆเข้ามาเหยียบย่มทำลายจิตใจของเราได้เลยดังนั้นในช่วงเข้าพรรษานี้จึงเป็นเหตุที่ดี ที่พวกเราทุกคนควรจะคิดทำอะไรพิเศษสักอย่างหนึ่งเพราะว่าจะถือว่าเป็นการกำไรนั่นเองดีกว่าอยู่ไปแบบเดิมๆไม่ได้ทำอะไรให้ดีให้มากขึ้นกว่าเดิมผลที่จะได้รับก็จะได้รับเท่าเดิมจะไม่คืบหน้าจะไม่ก้าวหน้าการที่เราจะคืบหน้าก้าวหน้าได้ เราต้องเพิ่มความเพียรขึ้นไปตามลำดับเช่นถ้าเราเคยนั่งสมาธิวันละครึ่งชั่วโมงเราก็ต้องเพิ่มขึ้นไปเป็นสี่สบห้านาทีเป็นหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้นเพิ่มไปเรื่อยๆรักษาศีลก็รักษาให้มากขึ้นไปเรื่อยๆถ้ารักษาศีลห้าได้ก็รักษาศีลแปรักษาได้เฉพาะวันพระก็เพิ่มขึ้นไป ให้รักษาได้วันก่อนวันพระและวันหลังวันพระแล้วต่อจากนั้นก็รักษาไปตลอดเจดวันตลอดสามเดือนในระยะที่เข้าพรรษาถ้าทำอย่างนี้แล้วผลก็จะต้องปรากฏเพิ่มขึ้นมามากขึ้นอย่างแน่นอนเหมือนกับการขายของถ้าขายของได้มากขึ้นรายได้ก็จะต้องมีเพิ่มมากขึ้นถ้าขายเท่าเดิม รายได้ก็จะเท่าเดิมถ้าขายน้อยกว่าเดิมรายได้ก็จะได้น้อยกว่าเดิมนี่เป็นเหตุผลตายตัวไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดก็จะเป็นอย่างนี้ในสมัยพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนกับสมัยนี้สมัยพระพุทธเจ้ามีการปฏิบัติมีความเพียร ก็มีการบรรลุมรรคผลนิพพานสมัยนี้มีการปฏิบัติมีการเพียรก็มีการบรรลุมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกันเพราะธรรมะนี้เป็นอากาลิโกไม่ได้ขึ้นกับการและเวลาหรือสถานที่สามารถยังประโยชน์หรือบรรลุผลได้เสมอถ้าผู้ปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติให้ถูกต้องปฏิบัติตรงคือไม่ไม่คล่องแวะไปตามสถานที่ต่างๆไม่ติดอยู่กับทาขั้นต่างๆทําเพื่อก้าวขึ้นไปข้างหน้าเช่นทาบุญให้ทานแล้วก็ตั้งก้าวขึ้นไปสู่ทาขั้นสูงต่อไปก็คือขั้นศีลเมื่อทารักษาศีลได้แล้วก็ให้ก้าวขึ้นไปสู่การ จเจริญจิตตภาวนาเข้าไปสู่การบำเพ็ญสมถภาวนาทำจิตใจให้สงบพอทำจิตใจให้สงบได้ก็ให้ก้าวขึ้นไปสู่ขั้นวิปัสนาภาวนาทำทำจิตให้รู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในการควบคุมบังคับของเรา ถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้เป็นอย่างนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ใจถ้าปล่อยวางก็จะมีความสุขใจก็จะลุดหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆไปได้นี่คือการปฏิบัติบางท่านอาจจะชอบรักชอบห้บุญให้ทานก็มีแต่ทำบุญให้ทานอย่างเดียวไม่ยอมรักษาศีลเลยก็เหมือนนักเรียนที่ชอบเรียนอยู่ปหนึ่ง ไม่ยอมขึ้นปสองปสามียกี่ปีก็ขออยู่แค่ปหนึ่งอย่างนี้ก็จะไม่เจริญก้าวหนา้าถ้าทําบุญให้ทานอย่างสม่ําเสมอได้แล้วก็ทําเพิ่มมากขึ้นไปอีกทําไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือจะให้ทําไม่มีอะไรเหลือจะให้แล้วก็จะได้ไปอยู่วัดออกบวชได้ไปรักษาศีลได้ เมื่อรักษาศีลได้ไปอยู่ที่สงบก็จะเจริญภาวนาได้ต้องพยายามปฏิบัติเพิ่มขึ้นไปให้มากขึ้นไปเรื่อยๆให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่าอยู่กับที่พอะจะไม่ไปถึงจุดหมายปลายทางนี่คือการมาเข้าพรรษากันมาเข้าพรรษาเพื่อมาศึกษา มาปฏิบัติแล้วก็มาปฏิเวทคือมาบรรลุผลที่เกิดจากการปฏิบัติต้องทำเป็นขั้นตอนขั้นแรกต้องศึกษาพราะธรรมคำสอนก่อนถ้าไม่ศึกษาแล้วนำไปปฏิบัติ mm hmm. ก็จะปฏิบัติแบบผิดผิดถูกถกูเพราะไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรบ้างนั่นเองต้องศึกษาให้รู้ว่า พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติอะไรบ้างเมื่อรู้แล้วก็นำเอาไปปฏิบัติก็จะได้ไม่ไม่หลงทางไม่ปฏิบัติแบบผิดผิดแล้วเมื่อปฏิบัติถูกไม่ปฏิบัติไม่ผิดผลก็จะปรากฏขึ้นมาดังนั้นเบื้องต้นเราต้องพยายามศึกษาเช่นการฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ก็เป็นการศึกษาแบบหนึ่ง การศึกษาอีกแบบหนึ่งก็การศึกษาพราะธรรมคำสอนที่จารึกที่มีการจารึกไว้ในพระไตรปิฎกเราก็ศึกษาเราควรจะศึกษาจากพระไตรปิฎกเพราะว่าเป็นคำภีหลักเป็นคำสอนหลักเราจะได้รู้ว่าคำสอนของผู้อื่นของพระรูปอื่นหรือของครูบาาจารย์รูปอื่นนั้น สอนตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาคำสอนจากพระไตรปิฎกเลยแล้วเราไปศึกษากับพระอาจารย์บางรูปบางท่านถ้าท่านสอนผิดเราก็จะไม่รู้ว่าท่านสอนผิดหรือถ้าท่านสอนไม่ครบเราก็จะไม่รู้ว่าท่านสอนไม่ครบแต่ถ้าเราได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกไว้เป็นมาตรฐาน อเราไปได้ยินได้ฟังคำสอนของกูบาอาจารย์รูปต่างๆเราก็จะได้รู้ว่าท่านสอนได้ในระดับไหนท่านสอนได้ถึงขั้นหลุดพ้นมรรคผลนิพพานหไหมเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกนี้ทรงสอนไปถึงขั้นมรรคผลนิพพานแต่ถ้าเราไปศึกษากับพระบางรูปบางท่านท่านก็จะอาจจะสอนให้เรา อยู่ในระดับทานคือให้ทาบุญให้ถวาย้าป่าให้ทอดกระถิ่นให้สร้างถาวรวัตถุต่างๆแต่ไม่เคยสอนให้รักษาศีลไม่เคยสอนให้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมเลยอย่างนี้เราก็จะได้รู้ว่าท่านสอนได้เพียงระดับทานเท่านั้นแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาจากพระไต่ไปโดกเลย เราก็จะคิดว่าพระไตยปิฎกสอนเพียงเท่านี้คือสอนให้ทาบุญให้ทานให้ลักให้ให้ทอดพระป่าให้ทอดกระถินให้ถวายสังฆทานให้ทำบุญตักบาตรให้สร้างถาวราวัตถุต่างๆเช่นโบสถ์เจดีย์วิหารกุฏิเสนาสนะเราก็จะทราบเพียงเท่านี้กันซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นอย่างนั้น สำหรับชาวพุทธเหล่านี้คิดว่าการเป็นชาวพุทธก็คือการทําบุญให้ทานตักบาทถวายเงินให้กับวัดวาอารามเพื่อทํานุบำรุงวัดวาอารามแต่ไม่เคยรักษาศีลหรือเจริญสมาธิหรือปัญญาเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติกันนั่นเองเมืองไทย ชาวพุทธของเราจึงไม่ได้เป็นชาวพุทธแบบสมบูรณ์แบบชาวต่างประเทศที่เขาศึกษาพระไตรปิฎกพอเขาทราบว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธมีชาวพุทธอยู่ถึง 90% เปอร์เซน์เขาก็คิดว่ามาแล้วจะเจอแต่คนนักษาศีลไม่ดื่มสุรายาเมาไม่มีสถานอาบอดนวดไม่มีผับไม่มีบาร์ไม่มีซ่องโสเพดีแต่ที่ไหนได้พอมาถึงปับ๊บ กับเห็นเป็นตาลปัดไปเลยคนก็พูดโกหกกันตั้งแต่ลงจากเครื่องบินเจอแท็กซี่ก็ถูกแท็กซี่หลอกไปซื้อของตามร้านต่างๆก็ถูกคนขายของหลอกมีแต่คนที่ทำผิดศีลตลอดเวลาแล้วอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นเมืองพุทธได้อย่างไรพุทธนี้ไม่ได้พูดอยู่ที่ชื่อไม่ได้อยู่ที่ถาวรวัตถุ มีบ้านมีวัดเต็มไปหมดแต่ไม่มีการปฏิวัติตามหลักพุะธรรมคําสอนกันเลยหรือปฏิบัติก็ปฏิบัติเพียงบางส่วนยังปฏิบัติไม่ได้ครบบริบูรณ์ก็จะไม่ถือว่าเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์แบบถ้าเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์แบบนี้จะต้องทำบุญให้ทานจะต้องรักษาศีลห้ารักษาศีลแป จะต้องภาวนาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญปัญญาจะต้องฟังเทศฟังธรรมศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกและจากครูบาอาจารย์ต่างๆอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นชาวพูดจริงถ้าเป็นชาวพูดจริงรับรองได้ว่าสถานบันเทิงต่างๆสุรายาเมาต่างๆบ่อนการพนันต่างๆ นี้จะแทบจะไม่มีเหลืออยู่ในประเทศไทยเลยถ้ามีก็เหลือเพียง 10% เอร์ซนเพราะนั่นเป็นคนเป็นเรื่องของคนที่ไม่ใช่เป็นชาวพุทธเขาทํากันแต่ชาวพุทธนี้จะไม่ทําการกระทําแบบนี้เพราะเป็นอบาล ย, ยุคเป็นทวารที่จะฉุดลากให้จิตใจตกลงไปในอบายนั่นเองอบายก็คือที่ อยู่ของสัตว์สี่ประเภทได้แก่เดรัจฉาน ส, สุนกายเปรตและนรกผู้ใดที่ไปยุ่งเกี่ยวข้องกับอบายมุขไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องไปทำบาปต่อเมื่อทำบาปแล้วผลของการทำบาปก็คืออบายทั้งสีน่นี้ก็จะตา ม, ามมานั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ชาวพุทธเราให้อยู่ห่างไกล จากอบายมุขทั้งหคือไม่ไม่เสพสุรายาเมาไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวกลางคืนไม่คบคนชั่วเป็นมิตรไม่มีความเกลียดคร้านเพราะการกระทำทั้ง5ประการนี้มีแต่จะฉุดชีวิตจิตใจให้ตกต่ำไม่ได้ส่งเสริมให้ชีวิตจิตใ จ, จเจริญก้าวหน้า เมื่อชีวิตตกต่าเวลาที่จะต้องยังชีพก็ต้องไปทำบาปทำกรรมพอไม่สามารถมีมีความสามารถหาเงินเลี้ยงชีพด้วยวิธีที่ถูกต้องนั่นเองพอเงินหมดใช้เงินหมดกับการเล่นการพนันหมดกับการเสพสุรายามาหมดกับการเล่นการพนัน หมดเพราะว่ามีความเกียจคร้านขยันใช้เงินแต่ขี้เกียจหาเงินพอต้องหาเงินเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็จะต้องไปทำบาปไปลักขโมยไปป้นไปจี้ไปโกหกหลอกลวงเมื่อทำไปแล้วจิตใจก็จะตกต่ำใจที่เคยเป็นมนุษย์ก็จะเสื่อมลงไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นอสูรกายบ้าง เป็นเปรตบ้างเป็นนรกบ้างขึ้นอยู่กับเหตุที่ทำให้ไปทำบาปถ้าทำด้วยความจำเป็นแต่ไม่รู้ว่าเป็นบาปก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานเช่นจำเป็นต้องมีอาหารมีปัจจัยสี่ก็เลยต้องไปทำบาชเช่นไปยิงนกตกปลาไปทำอาชีพที่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะคิดว่าเป็นเรื่อง บติเรื่องธรรมดาเรื่องของการอยู่รอดแต่ไม่รู้ว่าเป็นบาป ท, ทำไปเมื่อตายไปก็จะไปเกิดเป็นเดราาัจฉานถ้าทําบาปเพราะความกลัวกลัวอดอยากกลัวตายถ้าตายไปท่านก็บอกว่าไปเกิดเป็นอสุรกายถ้าทาบาปเพราะความโลภทั้งๆ ท, ที่มีพอมีพอกินอยู่แล้ว แต่อยากจะได้มากๆอยากจะมีมากๆ ก, ก็ทำบาปด้วยความโลภอย่างนี้ก็จะไปเป็นเปรตส่วนถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเคียดแค้นโกรธแค้นโกรธเคืองตายไปก็จะต้องไปตกนรกนี่คือที่ไปของจิตใจของผู้ที่ทำบาปด้วยสาเหตุต่างๆ เหตุที่ทําให้ไปทําบาปนี้ก็คืออบายามุขนี่เองดังนั้นในช่วงเข้าพรรษานี้ถ้าเราเคยเกี่ยวข้องกับอบายามุขไม่ว่าจะเป็นการดื่มสุรายามเมาการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการครบคนชั่วเป็นมืดหรือการมีความเกลียดครานก็ขอให้เราถอยออกมาอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วย ถ้าเราไม่อยากจะต้องไปเกิดในอบายนี่คือคําสอนที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราศึกษาแล้วนำเอาไปเอาไปปฏิบัติกันถ้าเราปฏิบัติได้ถ้าเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขไม่ไปทําบาปทํากรรมตายไปเราก็ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบาย ไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นอสูรลกายเป็นเปรตไปตกนรกตายไปก็จะได้ไปขึ้นสวรรค์แล้วก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่และจะเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเดิมถ้ามีรูปร่างหน้าตาสวยงามกว่าเดิมมีสติปัญญาที่ดีกว่าเดิมมีฐานะการเงินที่ดีกว่าเดิม เพราะอนิสงส์ที่เกิดจากการทำบุญให้ทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิและปัญญานี้เองในทางตรงกันข้ามถ้าทำแต่บาปยุ่เกี่ยวกับอบายมุขเวลาตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายพอใช้กรรมหมดแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะเป็นมนุษย์ที่เร็วก่อนเดิมรูปร่างหน้าตา เร็วกว่าเดิมสุขภาพร่างกายเร็วกว่าเดิมอายุสั้นกว่าเดิมฐานะการเงินการทองเร็วกว่าเดิมสติปัญญาเร็วกว่าเดิมนี่คือวงจรของผู้ที่ชอบอบายามุกและชอบทำบาปทํากรรมจะเป็นอย่างนี้ส่วนวงจรของผู้ที่ชอบทําบุญให้ทานรักษาศีล ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้ฉลาดวงจรก็จะไปอีกวงหนึ่งคือจะไปสวรรค์ชั้นต่างๆชั้นเทพบ้างชั้นผรหมบ้างใบบรรลุเป็นพระอริยเจ้าชั้นต่างๆตั้งแต่ชั้นโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอาหารหันต์นี่ก็จะเป็นวงจรของผู้ที่ ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและก็ไม่มีใครจะเป็นผู้ที่จะส่งเราไปตามสถานที่เหล่านี้แต่การกระทำของเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่จะส่งเราไปดังในหลักกัรที่ทรงแสดงไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่ว จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไม่มีผู้อื่นจะมารับผลแทนเราและไม่มีผู้อื่นทำบาปทำบุญทำแทนเรามีเราเท่านั้นที่เป็นผู้ทาเราทำอยู่ทุกวันทุกเวลาถ้าเราสังเกตดูในแต่ละวันนี้เราทำหลายอย่างด้วยกันบางเวลาเราก็ทำบุญบางเวลาเราก็ทำบาปบางเวลาเราก็ทำ แบบไม่ใช่บาปและไม่ใช่บุญขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเราถ้าเรามีอารมณ์ดีเราก็จะทำบุญถ้าเรามีอารมณ์ไม่ดีเราก็จะทำบาปถ้าเรามีอารมณ์กลางๆ <c oughs> ไม่ดีไม่ชั่วก็จะไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำบาปขึ้นอยู่กับอารมณ์เป็นหลักอารมณ์ของเรานี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นวิบา ที่เราเคยทำมาในอดีตเราเคยทำอะไรมามันก็จะทำให้เราเกิดมีอารมณ์ต่างๆเวลาเราทำความดีเราก็จะมีอารมณ์ดีเวลาเราทำบาปเราก็จะมีอารมณ์บาปมันก็เป็นเหมือนคลื่นที่ซัดเข้ามาที่ฝั่งอารมณ์เหล่านี้เป็นผลที่เกิดจากการทำบาปทำบุญของเราในอดีต แล้วมันก็จะมาส่งผลให้กับเราในปัจจุบันในชีวิตของเราแต่ละวันเราจะมีอารมณ์เปลี่ยนไปเรื่อยๆบางทีก็อารมณ์ดีบางทีก็อารมณ์ไม่ดีนอกจากนั้นก็ยังมีเหตุการณ์ต่างๆที่จะทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาได้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสผัวทพะที่เราสัมผัสบางทีก็ทำให้เรามีอารมณ์ดี บางทีก็ทำให้เรามีอารมณ์ร้ายแต่อารมณ์เหล่านี้เราสามารถควบคุมได้ถ้าเรามีสติถ้าเราจเจริญสติอยู่เรื่อยๆควบคุมใจของเราไม่ให้คิดปรุงแต่งเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นมาเราก็ให้จิตปรุงแต่งสิ่งที่จะดับอารมณ์ได้เช่นให้เราสวดมนต์ไปหรือบริกรรมพุโทโธไป เพราะอารมณ์นี้ก็เกิดจากความคิดปรุงแต่งของเรานี่เองพอเราเอาความคิดปรุงแต่งที่ปรุงแต่งอารมณ์ไม่ดีนีมาปรุงแต่งอารมณ์ที่ดีเช่นมาปรุงแต่งด้วยการสวดมนต์ด้วยการบริกรรมภาวนาอารมณ์ที่ไม่ดีก็จะหายไปได้เพราะอารมณ์หายอารมณ์ไม่ดีหายไปได้เราก็จะได้ไม่ต้องไปพูดไม่ดีทาไม่ดี แต่ถ้าเราไม่มีสติไว้คอยควบคุมใจของเราควบคุมอารมณ์ของเราพอมีอารมณ์อะไรก็จะระบายออกไปอย่างนั้นอารมณ์ไม่ดีก็จะพูดไม่ดีทำไม่ดีอารมณ์ดีก็จะพูดดีทำดีชีวิตของเราก็เลยขึ้นขึ้ น, นลงๆไม่ได้ไปไหนสักทีจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดก็ขึ้นไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีความสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ ที่ไม่ดีให้จุดลากเราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีได้นั่นเองดังนั้นเราต้องพยายามเจริญสติอยู่เรื่อยๆเฝ้าดูอารมณ์ของเราบริกรรมพุทโธหรือสวดมนต์ไปแล้วใจของเราจะมีแต่อารมณ์ดีคือมีอารมณ์ที่สงบสุขเย็นสบายแล้วก็จะไม่คิดทำบาปทำกรรมจะไม่คิดอยากได้อะไร จะอยู่อย่างมีความสุขเกิดขึ้นจากการที่เรามาเข้าพันษากันด้วยการตั้งใจทำปฏิบัติทำข้อหนึ่งข้อใดเพื่อเป็นการเสริมสร้างอารมณ์ดีต่างๆให้เกิดขึ้นมาและเป็นการาระงับอารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาจากการกระทาไม่ดีของเราแล้วต่อไปรับรองได้ว่า จิตใจของเราก็จะพัฒนาสูงขึ้นไปเรื่อยๆจากมนุษย์ก็จะไปเป็นเทพจากเทพก็จะไปเป็นพรหมจากพรหมก็จะเป็นพระอริยเจ้าตามลำดับต่อไปดังที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญกันมาในแต่ละภพในแต่ละชาติจนในที่สุดก็ได้บรรลุถึงจุดสูงสุดของชีวิตก็คือพระนิพพาน พวกเราก็จะได้บรรลุเช่นเดียวกันถ้าเราหมันภาคเพียงทำความดีละบาปและมันชำระใจของเราให้สบายให้สะอาดบริสุทธิ์ทุกเวลานาทีแล้วรับรองได้ว่าผลที่พระพุทธเจ้าได้รับผลที่พระอริยสงสาวกทั้งหลายได้รับ<ม>ก็จะเป็นผลที่พวกเราจะได้รับกันต่อไปอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมา เข้าพรรษามาปฏิบัติทำข้อพิเศษต่างๆนี้ให้ท่านแนะนำเอาไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไวเพเกงเทานีขอคุณภรศีรัตนตรยัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้